นางสาคกิยานีคือสตรีในราชสกุลสักยะวงศ์นานาพันดะปัญจกะหมวดห้าแห่งการลักมีของต่างๆเป็นที่กำหนดคือหนึ่งอาทิยานังโจ์หรือตูเอาของที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณของเขาสองอารณัง คือนำหรือลักเอาของเหล่านั้นไป 3. อวหารนังคือบิดเพี้ยนหรือช่อเอาของเหล่านั้นที่เขาฝากไว้ 4. อิริยาปฏถาวิโกปนังทำอิริยาบทแห่งคนผู้นำของไปให้กำเริบคือกูเข็นหรือล่อลวงนำไปทั้งคนทั้งของอา ฐานาจะว่านังทำของเหล่านั้นให้เคลื่อนจากที่แม้จะไม่นำไปที่อื่นนาสนะคือให้ชิบหายหรือให้ศึกจากเพศบันพชิตนำไปปะวรณาคือนำไปบอกให้ฉันนิตยพัด คืออาหารที่เขาถวายประจำเป็นเนืองนิดนิเทศคือคำจำแนกคำอธิบายคำขยายนิธานคือเหตุหรือเรื่องเดิมนิสักยปาจิตติวีติกมะคือโทษชื่อว่าปาจิตติ อันทำให้สละสิ่งของซึ่งเป็นเหตุให้ต้องโทษคืออาบัตนิวรททำกั้นจิตมีให้บรรลุความดีนุ่งอติเรกจีวรคือใช้สอยสบงหรือจีวรหรืออังศะซึ่งเป็นผ้าที่เหลือจากไตรครองเนรเทศ คือให้ออกไปเสียจากประเทศขับไล่ออกจากทินเดิมในสำนักมาตุคามคือในที่ใกล้ที่จะฟังได้ยินของญิงมนุษย์ผู้รู้เลี้ยงสา